ตอนที่32มสองตาอาวีเช่นนี้หนึ่งขอจงทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายขุนนางทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญที่มาชุมนุมกันณประตูเทีจีต่างคุกเขา่าลงกับพื้นส่งเสียงขวายพระพรดังตึงกก้องไปถึงที่ประทับขององค์จักรพรรดิการประชุมขุนนางครั้งใหญ่ครั้งแรกของราชสมัยเจิ้งถงได้เปิดฉากขึ้นแล้วพระเสาวนีย์ของสามตําหนักหลังเหล่าขุนนางไม่ต้องมาพิธี ชูหลิงที่ประทับอยู่บนบันลังมองดูภาพรงหน้าอย่างเงียบเชียบหลี่จงที่คอยรับใช้อยู่เบื้องพระพักหลังจากได้รับคําสั่งจากผู้เชิญพระเสนานีคนหนึ่งก็กล้าไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวและประกาศเสียงดังพระเสนานีของสามตำหนักหลังเหล่าขุนนางไม่ต้องมาพิธีพระเสนานีของสามตำหนักหลังเหล่าขุนนางไม่ต้องมาพิธีเสียงขาน ร, รับต่อกันเป็นทอดทอ ด, ดังระ ง, งําไปทั่วบริเวณทว่าเหล่าขุนนางที่อยู่ท่ามกลางหิมะกลับไม่มีใครขยับพเยื่อนจนกระทั่งเสียงาคานคําว่าลุกขึ้น ดังสะท้อนออกมาเหล่าขุนนางจึงเริ่มเคลื่อนไหวกดระเบียบช่างมากมายนะักเมื่อได้เห็นภาพนี้ชูหลิงก็เริ่มมีความเข้าใจในระบบจารีตและพิธีการของต้าอาวีชัดเจนขึ้นกลุ่มคนที่มาชุมนุมกันที่ประตูเทจีนี้หากหยิบยกใครออกมาสักคนต่อให้เป็นคนที่มีตำแหน่งต่ำที่สุดก็อาจดูไม่สลักสาคัญอะไรในเมืองหลวงของต้าอาวีแต่หากคนผู้นั้นถือฐานขุนนางเมืองหลวงไปยังท้องถิ่นเรื่องราวก็จะเปลี่ยนไปทันที ดังนั้นเพียงแค่เห็นกลุ่มคนในศูนย์กลางอานาจเคร่งครัดในระเบียบวินัยเช่นนี้ชูหลิงก็รู้ได้ทันทีว่าในพื้นที่ต่างๆภายใต้การปกครองของต้าอาวีกฏเกณ์คงจะเข้มงวดรุนแรงยิ่งกว่านี้หลายเท่านี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยสักนิดชูหลิงรู้สึกทอดถอนใจระบบจารีที่เข้มงวดเช่นนี้การปกครองเบื้องล่างย่อมต้องใช้นโยบายมามามอประชาชนดูเท่าว่าชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรระดับล่างคงจะลําบากไม่น้อยทว่าเมื่อคิดถึงตรงนี้ชูหลิงกลับยิ้มออกมา ในทุกยุคทุกสมัยราษฎรระดับล่างจะมีสักกี่คนที่ได้อยู่อย่างสุขสบายจริงๆผู้ที่อยู่อย่างสุขสบายตลอดการก็คือชนชั้นปกครองต่างหากและในชาตินี้ชูหลิงได้กลายเป็นผู้สูงสุดของชนชั้นปกครองแม้ในยามนี้จะยังไม่มีอำนาจที่แท้จริงแต่เขาก็คือท้องฟ้าของต้าอวี๋อย่างน้อยก็ในานามมีเรื่องจะทูลก็จงทูลมาหากไม่มีเรื่องก็เลิกประชุม เมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นชูหลิงก็ดึงสติกลับมาในขณะที่เขากําลังครุ่นคิดอยู่นั้นเหล่าขุนนางที่มาชุมนุมกันนอกประตูเทจีจํานวนมากก็กําลังครุ่นคิดอยู่เช่นกันเหตุใดจักรพรรดิรดองค์ใหม่ถึงทรงฉลองพระองค์เช่นนี้ชูหลิงสวมชุดลําลองแต่กลับไม่ได้สวมฉลองพระองค์กุนฝูและไม่ได้พกกระบี่อรสวรรค์นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เ, เลยในช่วงขณะนั้นความคิดที่หลากหลายจึงผุดขึ้นในหมู่ขุนนางประหม่อมเฉินเจียนรองเสนาบดีกรมหูผู้ฝ่ายซ้ายมีดีแกจะกราบทูล ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ร่างหนึ่งเคลื่อนไหวออกมาจากบริเวณที่ใกล้กับที่ประทับเฉินเจียนก้มหน้าเดินไปยังเบื้องพระพักจากนั้นก็ประสานมือคำนับทูลมาเมื่อเฉินเจียนก้าออกมาจากแถวขุนนางคนที่ยืนอยู่ใต้บันไดหินตาลปี้ก็ประกาศเสียงดังการประชุมขุนนางครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นณประตูเทจีนั้นมีกฎระเบียบอยู่เมื่อขุนนางกลับทูลองค์จั ก, กรพรรดิไม่จําเป็นต้องตัดเองจะมีคนคอยรักษาความเป็นระเบียบแทนองค์จั ก, กรพรรดิเพียงแค่สับฟังเรื่องที่กราบทูลและมีพระราชองค์การตอบกลับไปตามความเหมาะสมเท่านั้น ในฐานะราชวงศ์ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่และมีอาาเขตกว้างใหญ่การประชุมขุนนางครั้งใหญ่จึงเป็นส่วนสำคัญในการจัดการภารกิจทางทหารและการเมืองไม่ใช่เพียงแค่การจัดพธิธีการเพื่อความสวยงามเท่านั้นนับตั้งแต่เดือนสิอดปีที่แล้วสีเหลืยงเต้าอันเปื่ยเต้าและพื้นที่อื่นๆประสบพัยหิมะอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เมืองและอำเภอภายใต้การปกครองได้รับความเสียหายอย่างหนักเรื่องนี้กรมหูปู้ได้เป็นตัวแทนในการแก้ไขมาโดยตลอดเฉินเจียนกลับทูลตามความจริง ทว่าเมื่อเร็วๆนี้พวกอนาระยะชนทางเหนือดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวผิดปกติพวกมันออกปล้นสะดมในหลายพื้นที่สังหารราษดรตามชายแดนและขัดขวางการบรรเทาทุกกระหม่อมขอใช้โอกาสนี้ตำหนิยื่นถอดถอนเจิงเปิดต้าเจียง จ, งจงะวินพ่ยยค่ะสิ้นคำกล่าวนี้ขุนนางทั้งราชสำนักต่างพากันฮือฮาช่างใจกล้าบ้าบิ่นจริงๆ ชูหลิงได้ยินสิ่งที่เฉินเจียนพูดก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาเห็นความผิดปกติในแถวขุนนางนอกประตูที่จีได้อย่างชัดเจนเจิงเป่ยต้าเจียนจะวินที่ถูกเฉินเจียนยื่นถอดถอนไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คืนหนึ่งในก้าเสาหลักแผ่นดินหูกัวกงเฉาอิน ตระกูลเฉาเป็นหนึ่งในขุนศึกตระกูลใหญ่แห่งกวนซีในราชวงศ์ก่อนมีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานกับตระกูลซุนมาหลายชั่วอายุคนเป็นมิตรแท้ต่อการเมื่อครั้งที่จักรพรรดิเทจู่เกาทรงยกทัพไปทางตะวันตกเพื่อช่วยเมืองเหลียงทรงเอาชนะตระกูลหลี่แห่งกวนซีและช่วยเหลือตระกูลซุนที่ถูกโอบล้อมไว้ได้จากนั้นทรงรับน้องสาวบุญธรรมมาเป็นพระชายาเอกซึ่งถือว่าทรงตัดหน้าตระกูลเฉาไปก้าหนึ่ง เล่ากันว่าผู้กัวกงชาวอินนั้นแอบชื่นชมที่หวงเทหามานานแล้วแต่กลับถูกจักรพรรดิเ ท, ทจูเกาทรงแย่งชิงไปก่อนแน่นอนว่านี่เป็นเพียงข่าวลือที่ยากจะพิสูจน์ความจริงแต่ก็เป็นเพราะจักรพรรดิเ ท, ทจูเกาทรงแต่งงานกับน้องสาวบุญธรรมผู้นั้นซึ่งไม่เพียงแต่จะดึงตระกูลซุนมาอยู่ใต้บงังคับบัญชาของพระองค์เท่านั้นแต่ยังทรงแสดงความสามารถและพลังกําลังในศึกต่อตอมาจนทําให้ตระกูลใหญ่ในกวนซีหลายตระกูลตัดสินใจสวามิภักดิ์และตระกูลเขาก็เป็นหนึ่งในนั้น ในบรรดาแม่ทัพใหญ่ภายใต้บัญชาของจักรพรรดิเทจูเ ก, กาเชาอิงย้อมมีตำแหน่งที่สำคัญอย่างแน่นอนยามนี้เขาเป็นผู้พิทักษ์พรมแดนเหนือคอยข่มขวัญอนาระยชนเพื่อต้าอาวีแต่ตอนนี้กลับถูกยื่นถอดถอนในส่วนกลางเรื่องราวเริ่มจะน่าสนุกขึ้นมาแล้วถ้าจะไม่ผิดก่อนที่จักรพรรดิสวีนจงชุนจะเสด็จสวรรคตดูเหมือนจะทรงวางแผนยกทัพออกไปทางเหนือครั้งใหญ่ใช่หรือไม่ชูหลิงนึกถึงเรื่องนี้แล้วรีตาลงเชาอิงคนนี้สามารถรักษาตำแหน่งอยู่ที่พรมแดนเหนือได้ตลอด ย่อมต้องเป็นคนที่จะกระพาะเสวียนจงฉุนทรงไว้วางพระไทยอย่างยิ่งมิเช่นนั้นคงไม่ปล่อยให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญเช่นนี้แน่ภายลมมารดาเจ้าสิเสียงตวาดด้วยความโกรธ ด, ดังขึ้นในแถวขุนนางลี่หยางปอมาเยเว่เดินออกมาจากแถวด้วยแววตาเกลี้ยวกราชี้หน้าด่าเฉินเจียนว่าไอขุนนางสุนัขที่น่าจะโดนโรคระบาดตายเจ้าเข้าใจสถานการณ์ชายแดนบ้างหรือไม่หากไม่มีฮู้กัวกงคอยพิทักษ์พรมแดนเหนือ พวกอนาเรยชนเหล่านั้นคงไม่เพียงแค่ปล้นสะดมหรือฆ้าราษฎรตามชายแดนหรอกแต่มันคงจะบุกลงมาทางใต้จนถึงที่นี่แล้วยังจะกล้า ย, ยื่นถอดถอนหูกัวกรงอีกกรมหูปู้ของพวกเจ้าเอาหน้าที่ไหนมาพูดเช่นนี้เมื่อครั้งจักรพรรดิสเสวียนจงฉุนยังทรงพระชนชีพทรงห่วงยายไผ่พิบัติในสีเหลียงเต้าและอันเปิดเต้า อ, อยู่เสมอทรงมีพระราชโองการยกเว้นภาษีมากกว่าหครั้งเพื่อบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ประสบภัยแต่กรมหูปู้ของพวกเจ้าละ่ะ กว่าจะคลอกเสบียงบรรเทาทุกออกมาได้แต่และอย่างชั่นขี้เหนียวนักในสายตาของข้าจากประพาสเวียนจงชุนเสดสวรรค์ก็ประสงฆ์กริ้วพวกกรมหูปูอย่างพวกเจ้านั่นแหละการประชุมขุนนางครั้งใหญ่นี้น่าสนใจจริงๆเมื่อมองดูหม่าเยเวที่วิ่งออกมาดา่าเฉินเจียนชูหลิงไม่ไดแสดงสีหน้าใดๆแต่ในใจกลับเริ่มคลุนคิดคนผู้นี้คือท่านปอขั้นหนึ่งของต้าอวีเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของเฉาอินที่ได้รับบรรดาศักดิ์จากความชอบในการศึกและเขายังมีความเกี่ยวข้องกับคนผู้หนึ่ง นั่นคือเขาเป็นท่านตาของชูจวินองชายหกของจักรพัฒด์เวนไทยจงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหมาเยเวรับตำแหน่งอยู่ในสภาขุนนางผู้มีความชอบสถาบันสวิงยุวนอืมก็คือตำแหน่งที่เอาไว้เสวยสุขในยามแก่นั่นแหละแต่ในบางโอกาสเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะปรากฏตัวเจ้า เมื่อถูกหมาเยเว่ด่าต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้โดยเฉพาะต่อหน้าสมตำหนักหลังและจักรพัดองค์ใหม่เฉินเจียนรองเสนาบาดีกรมหูผู้ฝ่ายซ้ายก็โกรธจนตัวสั่นเขาจ้องหน้าหมายเว่และพยายามจะพูดอะไรบางอย่างเจ้าอะไรของเจ้าหมายเว่ถลึงตาใส่สิ่งที่ข้าพูดมีตรงไหนไม่ถูกหรือลี่หยางป๋อด่าได้ดีท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้อีกคนหนึ่งก็ได้ก้าวออกมาจากแ้าขุนนางชี้หน้าดา่าเฉินเจียนว่าสถานการณ์ที่พรมแดนเหนือเป็นอย่างไร ในฐานะรองเสนาบดีกรมหูปู้ฝ่ายซ้ายเจ้าไม่มีทางไม่รู้พรมแดนเหนือมีเชืภูมิที่อันตรายอยู่น้อยมากเจิงเปิดต้าเจียงจวินต้องใช้ทหารกล้าสิบหมื่นนายเพื่อปกป้องพรมแดนเหนือของต้าอาวีที่ยาวเหยียดนับพลัลีความยากลําบากในนั้นมีมากเพียงใดเจ้ากลับไม่เอ่ยถึงแม้แต่คําเดียวในสายตาของข้าเจ้าก็แค่ต้องการปัดความรับผิดชอบเพื่อเลี่ยงความผิดฐานและเลยหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแหละจริงด้วยต้าอาวีไม่มีกําแพงเมืองจีน เมื่อได้ยินสิ่งที่คนผู้นั้นผู้ชูหลิงจึงเพิ่มมือขึ้นได้แม้เขาจะไม่เคยไปพรมแดนเหนือแต่จากสิ่งที่มาเยเวและคนอื่นๆพูดมาหูกัวกงและเจิงเป่ยต้าเจียงจวินเฉวอินที่เขาไม่เคยเห็นหน้าผู้นี้ต้องแบกรับแรงกดดันและภาระที่พรมแดนเนนหนือหนักหนากว่าที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้และอาจเป็นเพราะเหตุนี้เองเมื่อมีคนกล้าดึงไฟไปหาเฉวอินจะมีคนทนไม่ได้ต้องก้าวออกมาโต้แย้งต้าอาวีแห่งนี้ดูท้าจะน่าสนใจกว่าที่คิดไว้เสียอีก